พร้อมแล้วกราข อ, อการเจ้าค่ะมีคำถามทั้งหมดสี่แผ่นเจ้าค่ะคำถามที่หนึ่งคำถามว่าจิตยอยู่กับความว่างเป็นอย่างไรเจ้าค่ะโอ้เมธุพิทด้วยบันนอกสอกกล่าว <c oughs> แหมปัญหาเนี่ยปัญหามันเกินชั้นอนุบาลมากเนี่ย ปัญหามันเกินชานานุบาลจิตว่างจากอารมณ์จิตทิ้งอารมณ์อันนี้หลวงตาท่านก็เรียกว่าว่างเราพูดแค่นี้เราพอจะดูออกจิตว่างอารมณ์คือจิต พิงอารมณ์จิตมันอิ่มอารมณ์จิตมันสงบว่างว่างขั้นสมถะความว่างของจิตไม่นึกไม่คิดไม่ปรุงอยู่รู้อยู่เฉพาะตนมันสำคัญว่าว่างและยังรู้อยู่ว่าว่างนะน ว่างอ่ะยังรู้อยู่รู้อยู่ว่าว่างจิตรู้อยู่ว่าว่างเมื่อเราทําไปถึงตรงนี้เราก็อยู่กับผู้รู้เรานั่นแหละอยู่กับผู้รู้ว่างคือมันอิ่มนี่เมื่อเรารับทานอิ่มมันก็มีหิวมันไม่หิว มันอิ่มอารมณ์จิตมันก็เลยทิ้งอารมณ์จิตมันก็ว่างจากอารมณ์มละเอยียดลึกเข้าไปอีกว่างโดยปัญญาพิจารณาถึงที่สุดว่างตัวว่างตน มันก็ว่างจากตัวตนว่างโดยปัญญาแต่ต้องพิจารณาถึงแต่มันก็ยังมีผู้รู้อยู่รู้อยู่ว่าว่างอ่าว่างจากตัวตนว่างจาก กิเลสความโลภความโกรธความหลงว่างเป็นคราวๆ ว, ว่างโดยเด็ดขาดกลับไม่กำเริบความว่างแต่ก็ยังรู้อยู่จิตรู้อยู่ว่าว่างอยู่ เราพูดแค่นี้พอแล้วพวกเราอนุบาลจริงหลวงพ่อยิงไม่มีภูมิเลยอนุบาลปถมมัธยมพวกเราจับปั๊บโน่นโอ้มันคนระดับด็อกเตอร์เนี่หลวงพอ่อหลวงพ่อตามไม่ทันแล้วอเอาให้ว่างจาก อารมณ์สักก่อนเธอในนี้ในในีน้มีใครบ้างได้บ้างอิ่มพุโทโธพุโทโธพุโทโธเนี่ยมีใครอิ่มบ้างอิ่มจนทิ้งคำบริกรรมอิ่มเอออ ย, อยู่อย่างนั้นน่ะมีความสุขอยู่อย่างนั้นน่ะแต่ก็มีความรู้อยู่ มิสติรู้อยู่มีสมัมมชัญากรรกับรู้อยู่ไม่ได้หายมืดหายมิดไปเลยไม่ได้หายไปเลยหายมิดเนี่ยคือหลับหายมิดเนี่ยคือหลับสติเหลือนเล็กลองเล็กลองแล้วลงขาดปิ๊บขาดความรู้สึกหายไปเลยไม่ใช่ว่างแบบนั้น ว่างแบบนั้นไม่ถูกแต่เราก็เลือกไม่ได้ถ้าเกิดเราข้ามตรงนั้นยังไม่ได้เราเลือกไม่ได้ถ้าเราข้ามตรงนั้นยังไม่ได้เราก็เลือกไม่ได้ถ้าใครเคยอ่านประวัติหลวงปู่เทศนะหลวงหลวงปู่เทศท่านมักจะลงอย่างนี้ล้วก็ไปหายเงียบแล้วก็ไปหายเงีย บ, ยยบดัดทั้งนานกว่าจะเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ ในปรวรณหลวงพุทเทศ <c oughs> <c oughs> มีอะไรอีกเจาค่ะขการดคำถามที่สองขอกราบหลวงปู่ปัญหาการหลับตานั่งสมาธิค่ะหนูหลับตาแล้วมักมีอาการปวดหัวจะอาเจียนค่ะในวงเล็บคือนั่งเกือบเกือบชั่วโมงจะเริ่มมีอาการค่ะบางครั้ง มีอาการปวดตาร่วมด้วยจึงมักต้องทานยาแก้ปวดเสมอเมื่อนั่งภาวนาจบเป็นอาการคนติดเพ่งตาโดยไม่รู้ตัวหรือเปล่าคะควรจะแก้ไขอย่างไรทำไมมักเป็นไข้และปวดหัวแทบทุกครั้งเวลานั่งสมาธิคะทำให้นั่งนานๆนไม่ได้จะทรมานคะ่ะปวดหัวจะอาเจียนมากขึ้นมากขึ้นคะ่ะเราอย่าไปเกร็ง อย่าไปเกร่งเราอาจจะเคยอยู่ตามอิริยาบถสบายพอเรามาอยู่ในอิริยาบถ ท, ที่เราภาวนามันก็เหมือนกับเราบังคับเหมือนก็เหมือนกับเราคลั่เคร่งเหมือนกับเราบังคับที่สําคัญก็คือดูไปชัดมันมีสาเหตุอย่างอื่นที่ทำให้เปลี่ยนมันไม่ใช่เปลี่ยนที่เราภาวนาดกไม่ใช่เป็นมันเป็นกับอิริยาบถ ท, ที่เรานั่งนั่นแหละ โดยปกติเรานั่งธรรมดาเราเคยนั่ง ส, สบายนั่งยังไงก็ได้นั่ง ส, สบายอยากยืนอยากเดินอยากนั่งอยากนอนนั่งมากนั่งน้อยยืนมากยืนน้อยเดินมากเดินน้อยแต่พอเรามาจับให้เขาอยู่ในท่าทีที่เหมือนกับต้องถูกบังคับนี่ร่างกายมันก็เริ่มผิดปกติไม่เชื่อเราลองนั่งธรรมดาโดยที่เราไม่ต้องเผานามันก็เป็นยิ่งเรามามา เพ่งบังคับสมองเราจนคลั่มเครียดเราต้องเอาใจภาวนานะเอาใจภาวนาเหมือนอย่างเราว่าพุทโธพุทโธพุทโธอย่าไปกระดุกกระดิกลิ้นอย่าไปบุกบุกมีปากอพยายามดูไปลึกๆแล้วก็นึกนึ ก, ก, ก, กบริกรรมเอานึกพุทโธพุทโธพุทโธไม่ใช่พุทโธปาก กระดูกดิกลิ้นกระดูกกดิกไม่ใช่พยายามใช้จิตภาวนาอยู่ข้างในลึกๆมันสงบได้เร็วด้วยมันสงบได้เร็วอย่าไปเอากิริยากายเสริมอย่าไปเกร่งเส้นประสาทเสริมมันทําให้ร่างกายของเราไม่ปกติโดยเฉพาะการนั่งนานๆนี่ก็ถือว่าเราไม่ปกติแล้ว ปกติเราจะไม่เคยนั่งแช่นันนานนอกจากท่าทีที่เรานั่งสบายที่สุดอเอาอีกด้วยชัดก็แล้วกันคำถามที่สามเจ้าค่ะกาบเรียนถามหลวงปู่ค่ะหนูภาวนาพุทโธมาระยะหนึ่งและตอนนี้กำลังเริ่มพิจารณากายเอง คือไม่ได้มีโอกาสไปกราบเรียนถามพ่อแม่ครูบาอาจารย์ใดๆทำโดยสอบถามจากเพื่อนรุ่นพี่ซึ่งเขาพิจารณากายอยู่แล้วจะเป็นอันตรายหรือไม่คะที่ฝึกทำไปเองนั้นเวลาเดินจงกรมพุทโธไประยะหนึ่งเมื่อจิตเริ่มสงบจะนึกภาพกรีดชำแหละเนื้อหนังของตนเองเลาะไปจนเหลือเป็นโครงกระดูก เดินอยู่และนึกต่อให้กระดูกหักลงทั้งหมดเนื้อหนังกระดูกที่หล่นอยู่ตามพื้นทางเดินจงกรมก็สมมุติโดยจุดไฟเผาทั้งหมดให้เหลือเป็นขี้เท่าสลายไปในดินก็ถูกทั้งหมดทั้งหมดนี้ใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะจากนั้นก็เริ่มต้นทำใหม่อีก แบบนี้ถูกต้องหรือเปล่าคะว ง, งเล็บถูกต้องแต่ต้องมีสติกํากับจอตลอดเราก็ใช้สัญญานั่นแหละใช้สัญญานั่นแหละแยกแยะช้าและชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ชิ้นอะไรกทําลงไปถ้าทําได้อันนี้คือถูกต้องในระหว่างที่เราทำสามสิบนาทีหรือหนึ่งชั่วโมงถ้าจิตของเราอยู่ในงานนั้นตลอดโอ้จิตมีคุณสมบัติมาก ปกติจิตเราจะเอาไปใช้ได้ต่อเนื่องถึงขนาดนั้นอย่างนั้นละเอียดละอออย่างนั้นยากอแต่เรายังมียังมีแต่คําพูดก็แล้วกันแหละขอให้ขอให้ความจริงทําและให้เป็นอย่างนั้นจริงๆจิตมันเป็นไปจิตมันเริ่มเป็นไปแล้วทําให้เห็นทุกข์เห็นโทษในระหว่างที่เราทํานั้นแหละมันเป็นการเจริญปัญญาเป็นการแยกแยะเป็นการพิจารณาจะต้องดูด้วยดูอัตราตัวตนที่มันจะโผล่ขึ้นมา ดูให้เห็นสักเท่าไหรเป็นธาตุจริงๆดูจนเห็นเป็นอื่นไปเลยไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราดูให้เห็นหน่าเกลียดปฏิกูลโสโครกเราก็ดูไปดูให้เห็นเป็นอื่นเป็นธาตุสักเท่าไหรเป็นธาตุไปอย่าให้มีคําว่าเราอย่าให้เกิดความรู้สึกว่าเราไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้น ทำต่อไปเรื่อยๆดีมากเจ้าค่ะในในคำถามเดิมเขียนต่อไว้ว่าเวลาสมมุติกรีดลงไปตามเนื้อหนูรู้สึกหวาดเสียวจริงๆไปตามผิวหนังค่ะคือสมมุติว่าโดนมีดกรีดชำละร่างกายค่ะหนูกลัวผีจึงไม่กล้าพิจารณากายแบบขึ้นอืดหรือซากศพเน่าเปื่อยค่ะเพราะกลัวผี <c oughs> มันก็ใช้สัญญาทั้งนั้นแหละ เราใช้สัญญาทมเริ่มแรกเราหัดใช้เราหัดใช้สัญญานี่แหลพะพอเวลาทำไปจนชินทำไปทาไปจนมันเป็นเองทีนี้ปัญญาที่ใจริงก็ค่อยๆ ค, ค, ค, ค่อยเริ่มปรากฏขึ้นมาจนสามารถเกิดปัญญาญาณขึ้นมาเบือนายคลายจางปล่อยละวางทิ้งได้หมดมองเห็นเป็นอื่นไปหมดนี่การหัดทำลายตัวตนเราก็เริ่มหัดทำลาย ทำลายแบบนี้ทำลายความเป็นก้อนทำลายความเป็นแท่งทำลายเพื่อให้จิตของเรามันคลายจากการยึดจากการติดติดว่าเป็นเราว่าเป็นของของเราว่าเป็นของสวยเป็นของงามจําแลยลึกเข้าไปถึงข้างในผ่านผิวไปก็เป็นเป็นเนื้อเอผ่านผิวผ่านหนังเป็นเนื้อเป็นเลือดเป็นเอ็นเป็นกระดูกเป็นอะไรอะไรก็ดู ดูให้เร็วๆ ข, ข, ขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นดูไปจนกว่ามันจะมีผลคืบหน้าเห็นเป็นของจริงจางขึ้นมาเบื่อหน่ายคลายจางต่อไปอีกคำถามถัดไปเจ้าค่ะกราบขอการพระอาจารย์คำถามที่หนึ่งคำว่ากิจที่ควรทำคืออะไร <c oughs> ความดีทั้งหมดเป็นกิจที่ควรทำความชั่วทั้งหมดเป็นกิจที่ไม่ควรทำถามสั้นๆก็ตอบสั้นๆอย่างนี้แหละคาถามที่สองการเตรียมสบียงก่อนตายควรเตรียมอย่างไรเจ้าคะกลาบขอบพระคุณเจ้าคะความดีทั้งหมดควรเตรียมความเลวทั้งหมดควรละเตรียมละเตรียมทา ถามสั้นๆตอบสั้นๆไปแก้เอาเองอืมอืมหมดละคำถามหมดแล้วเจ้าค่ะเราก็ภาวนาจากนี้ไปชั่วโมงหนึ่ง หรืออาจจะเลยนิดหน่อยเหวเวลาเวเวลาพักเบรกก่อนเที่ยงนิดหน่อยอา้าวภาวนาอีกฝึกซ้อมเข้าไปอีกฝึกเข้าไปอีกซ้อมเข้าไปอีกหัดพิจารณาเนี่ยแหละเอาให้มันสงบสงบมากสงบน้อย อยากพิจารณาเราก็พิจารณาเรามาหัดชำละแยกแยะเราก็มาชำละมาแยกมาแย ะ, ะเราพิจารณาเพื่อเพื่อมาดูให้รู้ให้เห็นว่าอะไรเป็นเราอะไรเป็นของของเราท่านจึงให้ทำทำลายคณะสัญญาความเป็นก้อนเป็นแท่งทําไมเราเฉือนอกําหนดเฉือนผิวเฉือนเนื้อ เฉือนอวัยวะแต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่ละอย่างทําไมเรากําหนดมันถึงมันถึงรู้สึกอรู้สึกเสียวกําหนดมีดมาปาดกําหนดแล้วกำหนดอีกปาดแล้วปาดอีกปาดแล้วปาดอีกกําหนดปาดแล้วปาดอีกตัดคอตัดไตตัดพุงตัดอะไรต่ออะไรสรารพัดกำหนดเฉือนเข้าไปตี กำหนดไปกำหนดไปกำหนดไปมันจะทำให้เรามันจะทำให้เราหัดใช้สัญญาคล่องขึ้นงานที่ทำนี้คือเป็นงานสัญญาเป็นงานสัญญาพอเราทำสัญญาทำสัญญาหนักๆเข้าไปก็สัญญาตัวนี้แหละจะกลายเป็นปัญญาเพราะฉะนั้นพระุทธเจ้าท่านจึงทรงให้พวกเราเรียนสัญญา ให้เราพิจารณาว่าร่างกายสังขารนี่เป็นอนิจจสัญญาสําคัญว่าไม่เที่ยงคือไม่รู้ไม่เห็นของแท้ของจริงแต่ให้ใช้สัญญาคาดเดาหมายไปก่อนอทุกขสัญญาสํญญาคัญว่าร่างกายเป็นทุกขอนัตตะสัญญาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนยังไม่เห็นของจริงแต่ว่าหัดคาดหัดเดาหัดหมายไม่ผิดทําได้ อันนี้คือจุดเริ่มต้นที่เราจะต้องทำไม่ใช่ผู้ปรับเห็นของจริงเลยไม่ใช่ยังไม่ใช่มันเริ่มไปจากสัญญานี่แหละมันจะกลายไปเป็นปัญญาอสุภะสัญญาเนี่ยปฏิกูลลสัญญาหน้าเกลียดโสโครกพิจารณาไปทั่วสารพรางร่างกายมีแต่ของหน้าเกลียดโโครอกไม่งามอสุภะไม่งาม ไม่งามด้วยสีดูให้จริงจังเข้าไปดูให้ชัดเจนแต่ถ้าเราเราดูวักวักแวบมบแวมเนี่ยมันหลอกตัวสัญญามันหลอกเสริมเข้าไปอีกดูให้มันชัดเจนเข้าไปตัวไหนางามอะไรงามดูให้เห็นให้ชัดเจน ถ้าเห็นไม่ชัดเจนเนี่ยตัวสัญญามันตัวสัญญาที่มันพาดูพาดทำนะมันเสริมเข้าไปอกีกดูให้พระให้ชัดเจนเข้าไปแล้วมันไม่มีอะไรงามด้วยสีดูมาให้งามด้วยกลิ่นดูไปกลิ่นตรงไหนกลิ่นมนุษย์ที่มันงามอะ่ะกลิ่นมนุษย์ดูที่กลิ่นมนุษย์อย่างนั้นเราจะใช้น้ําอบน้ําหอมละอ่ะอ่าดูผิวดูสี ดูสีธรรมชาติอย่าไปดูสีแต่งสีปลอมสีผิว อ, ะอ่ะบางคนดำปีก็ไปหาไอ้สีชมพูไปทาให้มันขึ้นงาไมสีชมพูมากขึ้นเสริมเข้าไปแต่ถ้าเราเสริมเข้าไปด้วยความรุ่มหลงนะี่เป็นโทษ ถ้าเราเสริมไปเพื่อรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบอันนี้ร่างกายของมนุษย์เรามันปฏิกูลอยู่แล้วอยู่ได้ด้วยการรักษาความสะอาดการตกแต่งร่างกายส่วนหนึ่งก็เป็นเหตุให้ได้รับความสะอาดได้รับความเป็นระเบียบอย่างน้อยก็หลบหลีกความปฏิกูลโสโครกสซะหน่อยหนึ่งโสโครกจริงๆนะมนุษย์นี รับทานเสร็จเราลองไม่ล้างมือให้สะอาดด้วยลองไม่ล้างปากให้สะอาดด้วยใครมีฟันห่างๆเศษอาหารติดตามซอกฟันฟันลองดูล่วงไปครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงลองลองไปพูดด้วย ด, วยดวยมันกับอะไรเน่าๆทั้งตัวอยู่ในปากนี่นนปฏิกูลโฉครกมี เราไม่ต้องพูดถึงข้างในข้างในร่างกายของเรามันโศโครกมันปฏิกูลขนาดไหนเพราะฉะนั้นที่เป็นเหงื่อเป็นใครเป็นอะไรทวานทั้งเก้าทวานเนี่ยมันไม่มีของหอมออกมาเลยมีแต่ของปฏิกูลโศโครกออกมานี่นี่คือกลิ่นแท้ของมนุษย์แต่พวกเราก็าไปหลงแต่กลิ่นจอมปลอมที่เราใส่เข้าไป อันนี้เราใส่เข้าไปเพื่อลบล้างความปฏิกูลดูไปแล้วก็น่าสงสารอย่างหนึ่งโอ้มนุษย์หนอปฏิกปฏิกูลโสโครกต้องชะต้องล้างต้องรักษารักษาความสะอาดต้องเอานุ่นมากัน้นเอานี้มาแก่เราดูแลรักษาอย่างที่ท่านเรียกว่าเสริมสวยเสริมสวย ถ้าหากเราไม่หลงจนเกินไปเราได้ประโยชน์มองให้เห็นในแง่ของการรักษาไม่ให้มันปฏิกูลให้ไม่ให้มันโสโครมากมากกว่าเดิมเท่านั้นเองลองไม่รักษาไม่ดูแลลองดูแค่ว่าไม่ล้างมือให้ดีไม่ล้างปากไม่ล้างฟันให้ดีค่อยดูเถอะไม่ต้องไปตั้งใจดมดอกเดินผ่านเนี่ยกลิ่นุึยิงบางคนไม่นอนด้วยแล้วเนี่ยอ่า ไม่อาบน้ำบางคนไม่อาบน้ำเสื้อผ้าบางทีอาบอยู่แต่เสื้อผ้ามมนได้ซักเงี้ยเหงื่อใครมันหมักมันหมมอยู่ในนั้นหนึ่งวันสองวันบางทีก็ครึ่งวันเงี้ยเหงื่อใครมันหมักบางทีสองวันสามวันมาหมักหมักแล้วหมักอีกหมักหมมหมักแล้วหมักอีกหมักแล้วหมักอีกกลิ่นเสื้อผ้าก็พอแรงแล้วบางทีไม่อาบน้ำดูตามมือตามตีน ดูตามเนื้อดูตามตัวมีแต่กลิ่นนี่คือกลิ่นแท้ของมนุษย์มันเป็นอย่างงี้แต่ตัณหาเนี่ยมันชอบสวยชอบงามมันชอบมองชอบมองเพื่อให้เป็นสิ่งที่มันชอบที่สุดให้เป็นสิ่งที่มันพอใจที่สุดมันก็สร้างเพื่อความชอบใจของมันเพื่อความพอใจของมันสร้างไป สร้างไปตั้งใจสร้างไปหลงกับสิ่งที่ตนสร้างเองเจ้าของสร้างเองแต่เจ้าของก็หลงเองมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะแม้แต่สัญญาเนี่ยเราสร้างเองเราก็หลงสัญญาเองเช่นอย่างเราพิจารณาร่างกายให้เห็นว่าสกป ร, รกปฏิกูลโสโครกเราสอิดเอียนหน้าเบือ่อหน้าไหนขึ้นมาจริงเหมือนกับเห็นของจริงเนี่ย สัญญาของเรามันสามารถหลอกความรู้สึกของเราได้เหมือนกันแต่ด้วยเหตุที่เราตั้งใจจะพิจารณาปล่งปล่อยเข้าสู่ตามหลักธรรมชาติที่แท้จริงทีเดียวไม่ได้เราจำเป็นจะต้องเอาปฏิกูลเอาโสโครกเอาอาสุภะอสุพังมาพิจารณาเพื่อเป็นโลกปกป้องตันหามันมาสวมรอย ถ้าเราดูแล้วเราดูให้เห็นว่าลองไปเสริมว่าสวยเหลือเกินงามเหลือเกินสวยเหลือเกินงามเหลือเกินเรายิ่งเสริมไปเท่าไหรแทนที่เราจะเห็นของจริงเราไม่เห็นเราไปเห็นแต่ของจอมปลอมมันจะเลยเถิดไปให้เลยสมมติเลยบัญญัติไปเลยปฏิกูลเลยโสโครกเลยอสุภะเลยอสุพังไปมันเลยไปไม่ได้จิตเข้าไปถึงความเลยเลยนั่นไหลเลยนั่นไปไม่ได้ ให้เห็นศักดทธิ์ธรรมชาติแต่ละอย่างแต่ละอย่างดูไปได้ยากในเมื่อเราดูไปได้ยากมันผ่านไปได้ยากพอเราพิจารณาถ้าหากไม่เอาอันนี้อย่างทุขังอนัตตาถ้าไม่หากไม่เอาอสุภะอสุพังมาเป็นเครื่องปิดบงังเป็นโล่ปกป้องตันหาราคาเอาไว้อ่ามันจะเกิดความกำหนับมันจะเกิดความยินดีซะก่อน แทนที่เราจะเข้าไปเห็นหลักตามหลักธรรมชาติเรากลับไปเกิดความกำหนัดเกิดความยินดีซสีก่อนเพราะฉะนั้นท่านจึงให้เจริญอสุภสัญญาเจริญกายคตาสติเช่นอย่างท่านให้พิจารณาในปลายชาเก้านะไปดูป่ายชาเก้า 9. นับตั้งแต่เป็นเริ่มตายเป็นศพนเน่ยขึ้นอืดขึ้นพองเปื่อย เขียวน้ำเหลืองน้ำเขียวไหลเยอะมันค่อยค่อยแตกค่อยค่อยกระจายกระจายสมมุติว่าเป็นศพที่ไปทิ้งที่ไปช้าผีดิบอ๋อกลงคืนพวกแรง้งพวกกาพวกสุนัขยิ้งจอกพวกหมาในพวกอะไรตัวอะไรไปกัดไปยือ้อไปแย่งพวกเสือพวกอะไรตัวอะไรไปกัดไปยือ้อไปแย่งไปกินกินหมดเในเนื้อเหลือเอ็นรัดกระดูก ดึงไปดึงมากระชากกระดูกกระดูกก็เริ่มหลุดเริ่มร่วงไปหนึ่งวันสองไปสามวันหนึ่งเดือนสองเดือนร่วงไปจนเลือดเนื้อที่ติดก็แห้งไปอันนั้นก็หลุดไปอันนี้ก็ร่วงไปอันนั้นก็สุดไปอันนี้ก็ซมไปอันนั้นก็เสื่อมไปอันนี้ก็สลายไปดูไปจนถึงที่สุดจากที่เรียกว่าปายช้าก้าวดูไปจนถึงจนเหลือแต่กองที่เท่าขาวๆนั่นน่ะ นี่ป่าชา้าท่านให้พิจารณาเห็นป่าช้าอืให้พิจรารณาให้พิจารณาแล้วก็น้อมมาน้อมมาที่กายของเราโอ๋อกายของเราก็ปฏิกูลหนอะกายของเราก็โสโครกเนอะดูซากศพข้างนอกโอ้ตายของเราก็เป็นอย่างนี้เนอะเอวังธรรมโมมีอยู่อย่างนี้ เอวังภาวีเป็นอยู่อย่างนี้เอวังอนาติโตไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้ไม่ว่าเราไม่ว่าเขาไม่ว่าใครอันนี้ท่านพูดไว้ในหลักมหาสติปฐานท่านพูดเอาไว้ไปดูป่ายชาเก้ามันมีในมหาศติปฐานเขาพูดถึงเรื่องกายอัตภาพร่างกายของเราทั้งหมดพูดถึงความปฏิกูลโสโครกพูดถึงอสุภะอสุพังทั้งหมด อสุภาาก็คือความไม่งามความน่าเกลียดความโสโครกกำหนดให้เน่าเฟะนอนเจาะยวยียยยยวยยุบยับในขณะที่เราเอาจิตของเราใส่เข้าไปนี่จิตของเรามันเบื่อมันนายมันเสียดเสีเอียนกับนอนกับเนื้อเน่าเน่าทั้งเขียวเขียวดำดำทั้งช้าเลือดช้หน้องไหลเยิ้มดูไปข้างในเด็ เห็นแต่ก้นนอนยุบยุบยุบยับยุบยับยุบยับยุบยับดึงเข้าดึงออกโอ้โหเราดูดูโอ้สีสียน่าเกลียดน่ากลัวเฮ่ออันนี้มันช่วยปิดบังความกำหนัดในกามราคะปิดบังความกำหนัดปิดบังความยินดีเอาปฏิกูลและสัญญาเนี่ยเอาอสุภสัญญาเนี่ยสมมติเรา สมรัติเราพิจารณาแล้วมันติดตารูปอย่างใดอย่างหนึ่งมันติดตาเราเนี่ยเวลาเราไปเจอของจริงภับเพราะกำหนดรูปนีแล้วไปใส่โย่ลงทันทีได้เลยความรู้สึกที่มันหลงลืมเนื้อตัวเนี่ยมันจะละลๆลๆๆๆเกิดเบื่อหน่ายคลายจางเหมือนกับเหือดไปแห้งไป ความยินดีความพอใจมันเป็นการผ่อนคลายมันเป็นการบรรเทาความรุ่มหลงอันนี้เป็นวิธีการทั้งหมดนั่นแหละเราทำไปเถ อ, อะตั้งใจทำหรือจะเอาวิธีชำแหล่งั้นก็ได้เรากำหนดชำแหละใช้สัญญาของเราเนี่ยกำหนดชำแหละอันนี้เป็นวิธีการที่ลุงปุจิเอะท่านสอนลุงปเจีเอะลุงปเจิเอะสอนมาท่านจะสอนเกี่ยวกับเรื่องจำแหล คนชำระตัวเองนี่แหละชำระตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้ตรงนั้นชำระจนหมดชำระและวชำระอีกฉันระแล้วชำระอีกเหมือนอย่างที่เล่าไปเมื่อกี้นี่แหละชำระแล้วชำระอีกแำระจนชำระไม่ชำนาญอันนี้เป็นการทํางานแต่ในระหว่างที่เราชำละถ้าสติถ้าสมาธิเราไม่ดีเนี่ยแค่สิบนาทีเราก็ทําไม่ได้แค่สองภาพสามภาพผ่านไปนี่มันก็จางไปแล้ว แต่ถ้าสมาธิเราดีเราตั้งยังไงอยู่อย่างนั้นเอออันนี้ใช้งานได้ใช้งานได้ใช้ไปจนกว่าปัญญาที่แท้จริงจะปรากฏขึ้นอันนี้เป็นวิธีการนะของจริงจะปรากฏขึ้นได้ยากแต่เราไม่ต้องไปเรียกร้องขอให้เราพยายามสร้างเหตุเพราะเนื้อหาที่แท้จริงที่เราเรียกร้องเนี่ยเราเรียกร้องไม่ได้เราตั้งใจทาได้อย่างเดียวตั้งใจสร้างเหตุทำเข้าไปบุกเข้าไปาไม่ต้องหวัง ดูเรื่องผลนั้นเราไม่ต้องหวังนี่มนุษย์เราดูความงามในมนุษย์เราไม่มีด้วยสีด้วยกลิ่นอด้วยสันญานแต่ด้วยเหตุที่เราติดด้วยเหตุที่เราติดผิวเราก็ติดผมเราก็ติดขนเราก็ติดตาหูจมูกอะไรติดไปหมดผิวเราก็ติดอะไรก็ติดทําไมถึงติด เพราะเราไม่ได้ดูให้เห็นควาเป็นของจริงไม่ได้ดูให้เห็นลักษณะของความจริงของมันพอพอเราติดพอเราชอบใจเราก็ยึดพอเรายึดเราก็ลุ่มหลงพอเรายึดเราก็ลุ่มหลงพอเรายึดเราก็ลุ่มหลงยิ่งเราได้บริโภคสมใจด้วยแล้วมันก็ติดยิ่งบริโภคก็ยิ่งติดยิ่งบริโภคยิ่งติดไม่ใช่ยิ่งบริโภคยิ่งเบื่อ ยิ่งบริโภคยิ่งติดอย่างนั้นเราจะมีกันเป็นพวงๆหรือบางคนเลือกมีกันเป็นพวงๆอ่ะอืมมันติดเบื่ออยู่เบื่อรายนี้แต่ไปชอบรายใหม่เบื่อรายนู้นไปชอบรายนู้นเบื่อรายนู้นไปชอบรายนู้นมันเบื่อรายหนึ่งไปชอบอีกรายหนึ่ง เบื่อแบบนี้เขาเรียกว่าเบื่อเพราะมันชินมันชามันเห็นความน่าเกลียดอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วมันก็เบื่อไม่ใช่เบื่อแล้วก็นายมันเป็นการหนายหนีมันไม่ใช่นายเพื่อคลายเพื่อวิมุติเพื่อหลุดเพื่อพ้นมันเป็นการหนายเพื่อนหนีหนีเพื่อหาใหม่เพื่อเอาใหม่กิเลสมันมีโอกาสที่จะหลอกเราได้สารพัด เราพิจารณาให้ดีเราดูให้ดีอันนี้เป็นบทกรมฐานมันสาคัญความสงบนี่แหละอันนี้คือหลักเบื้องต้นที่เราควรทำให้ได้มีความสงบพอประมาณเราก็พิจารณาเข้าไปมีความสงบพอประมาณเราก็พิจารณาเข้าไป ม, มันจะค่อยค่อยเริ่มเข้าใจไปเรื่อย งานนี้มันเป็นงานที่จะว่าถ้าไม่มีจริตไม่มีนิสัยแล้วก็ไม่เอาไม่สู้อ้ไปทํามันนั้นดีกว่าไปทํามันนี้นดีกว่านานเห็นนานได้เพราะเรามุ่งไปเอาเห็นว่าเป็นที่จะเพิ่งเกิดขึ้นเป็นก่อเป็นกรรมแท้ที่จริงมันมีผลสงให้เราทุกระยะแต่เราไม่ดูเราไม่มองเราคอยจะเอาจะคาดจะหมายจะเดาเอาแต่อสิ่งที่เกิน เหตุเกินวิสัยของเราเวลาไม่ได้สมใจเราก็เป็นปล่อยใหญ่แล้วก็ปล่อยแล้วก็ทอดทิ้งบางคนเคยมีอารมณ์โทสะรุนแรงพอเราเจริญกรรมฐานในสักพักหนึ่งรู้สึกว่าอารมณ์เรียนลงเย็นลงเย็นลงเย็นลงไปเจออุปสรรคอย่างใดอย่างหนึ่งปล่อยแล้วก็ทิ้งพอปล่อยทิ้งที่นี่ อารมณ์ที่เคยรุนแรงอยู่แล้วมันตีขึ้นมาใหม่หนักกว่าเดิมอีกมันหนักกว่าเดิมอีกอย่าลืมว่าภายในจิตของเรานั่นแะถ้าหากเราพิจารณาจิตของเรามีความชำนาญเกี่ยวกับเรื่องธรรมมีความชำนาญเรื่องธรรมฉลาดเรื่องธรรมมากเท่าไหร่ฉลาดเรื่องกิเลสมันก็มากเท่านั้นเหมือนกันทำไมจึงเป็นยังั้นะ <c oughs> ไม่ใช่เรายิ่งฉลาดเรื่องธรรมเรายิ่งโน่เรื่องกิเลสไม่ใช่เรายิ่งฉลาดเรื่องธรรมเรื่องกิเลสเราก็ยิ่งฉลาดเพราะกิเลสกับธรรมมันอาศัยใจดวงเดียวมันอาศัยใจดวงเดียวเกิดขึ้นคนที่เคยอารมณ์อารมณ์รุนแรงโมโหโทสะแรงๆเนี่ยเจริญกรรมฐานได้สงบระงรับชั่วระยะใดระยะหนึ่ง เสร็จแล้วควบคุมสติไม่อยู่ปล่อยปละละวางไปเป็นการเป็นคราวเวลามันตีกลับมานี่แรงกว่าเดิมอีกทำไมจึงแรงกว่าเดิมเพราะปัญญามันมากขึ้นจากการที่เรามีปัญญาพิจารณาเห็นธรรมพอปล่อยให้กิเลสได้ช่องได้โอกาสกิเลสมันก็แรงได้เหมือนกันถ้าพูดถึงนึกถึงคาําด่ามาก็นึกถึงคําด่าที่เด็ดเด็ดกว่าเดิมว่างั้นเถอะเอาให้ผ่าหัวใจได้เลยยังได้เลย เมื่อก่อนยังนึกถึงคำด่าไม่ค่อยจะมีอ๋อพอเราพิจารณาธรรู้ทมเห็นทมเข้าใจทมอะไรมากขึ้นโอ้รู้สึกว่าคำด่ามันโผลม่มามากมาเยอะแยะนั่นทำไมอ่ะ <laughs> เพราะกิเลสมันก็อยู่ในใจดวงนี้ทำมันก็อยู่ในใจดวงนี้ในเมื่อใจดวงนั้นฉลาดขึ้นโดยทรมันก็ฉลาดขึ้นโดยกิเลสด้วยมันพลิกจากทำมันมันก็เป็นกิเลสแล้ว พริกจากหน้ามือมันก็เป็นหลังมือแล้วพลิกจากทำมันก็เป็นเกลีดแล้วเหมือนอย่างความโกรธความโกรธเกิดจากความขัดปฏิฆะปฏิฆะความขัดเราต้องการเมื่อเราต้องการแล้วมีอะไรมาขัดมาข้องปฏิฆะขัดขัดข้องปฏิฆะคือความขัดข้องในหัวใจมันมาขัดคอขัดข้อง แทนที่เราจะได้เราไม่ได้โกรธโมโหโธโสถึงขั้นพยาบาทถึงขั้นปองร้ายมันไม่ธรรมดาถึงขั้นหมายชีวิตนะดูที่ดูจิตใจังคนเวลาเวลามันตีกลับมันตีเวลามันตีกลับจากรักไปเป็นชังเนี่ยเฉือนกันได้เลยอย่าว่าแต่คนอื่นแหละสามีภรรยารักกันแทบ กลืนเอาไปอยู่ในท้องอ่ะเวลาเกลียดกันนี่ยอยากเฉือนเฉือนเฉืเฉือนนเป็นชิ้นชิ้นเพราะอะไรฤทธิเดชของความรักมากเท่าไหร่ฤทธิเดชของความชังเวลามันได้ช่องได้โอกาสมันก็มากเท่านั้นเราเทียบมาที่ที่จิตของเราเนี่ยจิตเป็นธรรมเมื่อจิตเป็นธรรมมากเท่าไหร่จิตของเราฉลาดมากเท่าไหร่รกเิเลสมันก็ใสาจิตดวงเดียวนี่แหละเกิด มันก็อาศัยต้นต่อความนึกคิดอันเดียวกันนั่นแหละเกิดมันก็ฉลาดมากเหมือนกันถ้าเราเปิดโอกาสให้กับมันคนอุบายวิธีแพรวพราวไปหมดยิ่งเราพิจารณาทำแพรวพรามมากเท่าไหร่ถ้าเราเปิดช่องให้กับกิเลสกิเลสก็แพรวพรามมากเท่านั้นนะมีคนข้องใจเรื่องนี้เราก็ ตอบไปในแง่นี้เขาก็บอกโอ้เข้าใจเข้าใจดีมากเพราะกิเลสกับธรรมอาศัยใจดวงเดียวเกิดอเมื่อฉลาดโดยธรรมมันก็ฉลาดโดยกิเลสด้วยแต่น่นาหนามากกว่าว่าเราอ่อนข้อให้กับมันเหมือนอย่างเราพยายามจะหักอารมณ์ราคะโทสะโมหะเนี่ยเวลาเราตั้งใจภาวนาเหมือนกับเราพยายามจะหักพยายามจะหักคอมันว่าเถอะ ทำไปทำไปเราเผลอโอ้มันจะหากคอเราซะก่อนแล้ะเท่นี่มันตีกลับเหมือนอย่างคนที่เวนเล่าในบรรษาสามือนเนี่ยพอออกรรษาไปปั๊บเนี่ยโอ้เอามากกว่าเดิมอีก <c ười> เคยวันละขวดฟาดวันละสองขวดสามขวดเอายัง <c ười> นอนไม่ลุกไะนั่นเห็นไมมันตีกลับนี่มันตีกลั บ, น, ลบนี่เรื่องของความไม่ดี ถ้าหากเราไปปล่อยเราขึ้นมาได้ที่สูงแล้วเนะี่ยพอเราเปล่อยมันตกมันตกมันก็มันก็ยิ่งก็ตกได้สะดวกกว่าตกได้ไวกว่าเราพยายามขึ้นมาที่สูงเออบันไดสิบขั้นยี่สิบขั้นลองดูสิเราปีนขึ้นมาได้แล้วลองทำพลาดท่ากลิ้งตกลงไปดูหนะ่อรรดทันทีนั่นน่ะนั่นนะ่ะปุ๊บเดียวถึงข้างล่างเลย น, ะนั่นนะ่ะตกก็ตกแรงมันขึ้นได้สูงตกมันก็ตกสูง ขึ้นได้ต่ำตกมันก็ตกต่ําอืมมีคุณธรรมสูงตกมันก็ตกสูงมคีคุณธรรมต่าตกมันก็ตกต่ําเพราะกิะเลสกับธรรมมานัสยใจดวงเดียวเกิดเราพยายามฝึกซ้อมอยู่นี่แหละให้มีความรู้ให้มีความเข้าใจให้มีความช่ําชองเชาะหัวใจของใครของเราทั้งอกตั้งใจมีข้อวัดปฏิบัติ เจริญสมาธิเดินจงกรมนั่งภาวนากนําหนดอิริยาบททั้งสี่มีสติกํากับไม่ปล่อยจิตของเราให้คลาดไปจากสติจากสมาธิจากปัญญาเอาสติเอาสมาธิเอาปัญญามากํากับจิตของเราตลอดเพื่อให้ราคะโทสะโมห oh ะมันไม่มีช่องที่จะมายื้ย่งเอาจิตของเราไปใช้ นี่เป็นการสร้างคุณงามความดีจากนั้นแล้วใครทําได้มากได้น้อยก็จะประสบผลธรรมานุธรรมปฏิปติผลย่อมปรากฏผลย่อมเกิดตามตามภูมิตามความสามารถตามบารมีตามอินทรีย์ที่แก่กล้าเห็นโทษเห็นภยัยมากเห็นโทษเห็นภยัยน้อยขยันมากขยันน้อย ทำได้เหตุมากก็ได้ผลมากทำได้เหตุน้อยก็ได้ผลน้อยทุกอย่าง <c oughs> ขึ้นอยู่กับหลักของเหตุของผลทั้งนั้น <c oughs> <c oughs> เอาแค่นี้แหละเดี๋ยวเรานั่งภาวนาไปสักพักหนึ่งประมาณเทียเ่ยงไอ้้าโมงห้าโมงเศษเศษซะหนแล้วก็พอ